วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนเก้าวันพระหน้าเนี่ยเป็นวันพระเดือนเก้าดับตามประเพณีทางอีสานเหนืออีสานทางแถบเราเป็นวันทําบุญข้าวประดับดิน คือเป็นวันทําบุญปฏิส่วนกุศลถึงเปรตญ า, าติทั้งหลายอันนี้ถือกันมาแต่โ บ, บราณโบราณถ้าเดือนสิบเพนต่อไปอีกเรียกว่าวันบุญข้าวฉลากมันฉลากระพัดพระสงฆ์จำพรรษาพี่น้องประชาชนญาติโยมในถิ่นนั้นกระทาบุญให้พระสงฆ์จัดฉลา อันนี้คือถือกันมาแต่โ บ, บราณแต่มาถึงยุคสมัยทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำกันเพียงแต่ว่ามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่พวกเราที่ถ่วงรับดับขันไปแล้วปีหนึ่งควรจะมีสักครั้งหนึ่งคือในพรรษาเป็นโอกาสที่พระสงฆ์จำพรรษา เป็นถิ่นเป็นฐานลูกหลานก็ได้มาบวชในพะกแต่ศาสนาตีน้องประชาชนญาติโยมก็ได้มาร่วมกันแล้วก็ทาบุญร่วมกันเป็นจิตจะลักษณะอันนี้คื อ, คอบรมโบ ร, ราณที่ท่านปฏิบัติกันมาหรือว่าถือกันมาแต่ถ้าห า, าไม่มีวันไหนเชนเลยก็ไม่มีวัน ที่จะทําบุญวันไหนกับวันเก่าเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจึงถือให้เป็นวันหนึ่งสักวันหนึ่งกัอย่างพวกเราถือทุกวันนี่แหละวันนั้นวันนี้วันพ่อวันแม่วันรัฐธรรมนูญวันสงกรานต์ลักษณะอย่างนี้นะไอันนี้ก็คือโบราณในทิมอีสานแถบเราคนในพันษาท่านก็ถือว่าเป็นวันทําบุญอุทิศสวนกุศลต่อบรรพชน ถ้ามมาอย่างนั้นพวกลูกหลานของพวกเราคงจะหลงลืมไปอย่างประเทศจีนนะบอกคนเมืองจีนลูกหลานเมืองจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยหรือว่าอยู่ในแผ่นดินใหญ่เขาก็จะว่าไหวเจ้าเขาไหวเจ้าคือระลึกถึงบรรพบุรุษนั่นเองเระลึกถึงบรรพบุรุษของตัวเองคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราไหวเจ้าแต่พวกเรานี้นับถือพระพุทธศาสนาถึงวันสาคัญ รวมกันก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติคือต้อนตระกูลของพวกเรานนั้ไม่มีที่สิ้นสุดโภชุสุดไม่ล้วงใครเป็นใครพอแยกกันออกก็ในคนอาทิตละทางกันแต่ที่แท้ก็คงจะเป็นวงสาคณาญาติกันนั่นแหละสลับไปสลับมาปู่ย่าตาทวด วงสาคนายาตถ้าจะว่าไปแล้วพวกเราไม่ควรจะอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันว่าถ้ามันผิดก็ว่าไปตามผิดถ้ามันถูกก็ว่าไปตามถูกสักไม่ควรจะเล็กๆกน้อยน้อยไม่ควรจะมาถือสาหานับกันถ้าว่าพวกอยู่พวกเราคิดได้อย่างนีนะ้การอยู่ร่วมกันก็จะไม่มีผิดมีภัยแต่นี้พวกเราไม่เป็นอย่างนั้น โดยมากอยู่กันคนละหมู่บ้านอยู่กันละตระกูลอยู่ละครอบครัว ก, ก็มีการอิจฉากันแต่ที่แท้แล้วพวกเราคงจะเป็นคือญาติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสลับกันไปสลับกันมาอย่างทุกวันนี่แหละไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ทางว่าพวกเราเนะคือเกิดคนคนเกิดในชาติเขาว่ญาติธรรมชาติธรรมญาติธรรมโตดเกิดมาในชาต ไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้ น, นการจะกระทํำสิ่งใดก็ให้สำเนียสํานึกคิดไว้ให้ดีอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ทำมัลโลกกบาลทำคุ้มครองโลกทำมัลโลกกบาลทำคุ้มครองโลกสองอย่างที่หลคือความละอายแก่ใจ โอตระคือความกลัวต่อบาปคนเราถ้าว่ามีทำสองอย่างนี้อยู่ในใจไว้อยู่เสมอการจะคิดทําสิ่งที่ชั่วช้าลามกก็คิดไปกล้าที่จะทําคือละอายต่อบาปการกระทําบาปการกระทําสิ่งที่ไม่ดีเป็นที่ตำเนิติชินนินทาของเพื่อนมนุษย์ชาติเป็นที่ตําหนิติชินนักปราบบัณฑิต เป็นที่ติฉินดินทาของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่ามันสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่ชั่วนี่ฮิลิคือความละอายอไม่กล้าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองมีฮิมีฮิลิคือความละอายละอายแกะบะ่บากระอายแก่ใจนี่ที่จะทำผิดอโอด ต, ตะปะความกลัวต่อบาป ไปกล้าทําความชั่วพอะความชั่วนั้นย่อมเขาผ่านเมื่อภายหลังเมื่อเราทําไปแล้วเมื่อขณะที่ทําเราอาจจะหลงลืมอาจจะทําด้วยความโมโหโทโสทําด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่พอทําไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลตามมาภายหลังเหมือนเป็นเราไปฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่า ชีตีสงอย่างนั้นอ่ะทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างนั้นอ่ะต่ขณะที่ทำทำด้วย อ, อารมณ์แต่พอทำเสร็จแล้วทรนี้การมติดตามเมื่อภายหลังภายหลังกักฎหมายบ้านเมืองเขาก็ไล่จับเข้าคุกเข้าตารางโทษประหัสประหารถ้าโทษหนักอันนี้แหละอันนี้เลยคือกรรมชั่วอย่าทาเสลย ด, ดีกว่ากรรมชั่วนั้น ย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังอันนี้แหละแต่คนเราไม่ได้คิดในขณะที่ทำํำทำโดยคมลืมตัวบ้างทำคิดว่าเขาไม่รู้บ้างทำโดยคิดว่าใครๆก็คงจะไม่เห็นไม่รู้แต่พอทําเข้าไปแล้วกรรมชั่วนั้นตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราให้สํารวมระวังเอาไว้สิ่งที่อันนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสมัมเนมหน้าที่ของครวญคือการเป็นอยู่ของครวญพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้หน้าที่ของพระการเป็นอยู่ของพระพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้หน้าที่ของครวญหญิงชายแต่และอย่างก็ท่านก็สอนเอาไว้ พ่อมีหน้าที่อะไรแม่พ่อแม่มีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่อย่างไรสามีมีหน้าที่อย่างไรภรรยามีหน้าที่อย่างไรมิตรสหายมีหน้าที่อย่างไรส ม, มณะชีพามมีหน้าที่อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทำสอนเป็นข้อๆไว้ทั้งหมดไม่ได้ขาดตกบกพร่องในพระธรรมคําสั่งสอน จากท่านก่อนมาพูดถึงภาพรวมอีกทุกคนถ้าหากว่ามีศีลธรรมใน จ, ใจิตใจโลกทั้งโลกใบนี้ก็จะมีความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้ า, าว่าโลกของเรามีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นเป็นผักเป็นปลาเห็นตัวเป็นเทวดาเป็นผู้วิเศษโลกนี้นจะเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดแต่ถ้ า, าว่าเห็นเขา กับเราเราก็ต้องการความสุขเขาก็ต้องการความสุขอย่างเราเกลียดทุก์ด้วยกันใครเขาต้องการความสุขเราจะไปเบียดเบียนเขาถ้าถึงเราจะขยันมันขยันอดทนอย่างไรเราก็ทรมาความขยันอดทนหาศพแสวงหาทรัพย์ตามความสามารถของเราให้ถูกต้องตามกฎหมายบัญชเมืองที่ตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้อันนี้แปลว่า เป็นคนดีแต่ถ้าหาว่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาลังแกเขาโคดโกงเขาไปฆ่าไปเบียดเบียนเขาเพื่อบังคับเขาให้ได้ซึ่งสมบัติอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาท่านตำหนิอย่างมากฉันว่าคนคนนั้นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวผิดศินธรรม เพราะนั้นพวกคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นหนักลงศีลธรรมศีลธรรมศีลของคราวญคือศีลห้าศีลห้านี่แหละคือศีลของคราวญที่จะให้ดํารงชีพด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนในโลกมีศีลห้าทั้งหมดโลกนี้ก็นี่จะความร่มเย็นเป็ น, ปนสุขคุกตารางจะไม่มี แต่นี่คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยจะทำความดีทั้งหมดมันเป็นไปได้ยากมันเป็นไไปได้ยากอย่างยิ่งเหมือนกับหัวใจของเราทุกๆท่านนไม่ต้องพูดออกไปข้างนอกหัวใจของเราคงจะเหมือนกันความคิดของเราก็เหมือนกันพวกเราจะคิดจิตให้จิตสงบอยู่ทั้งวันได้ไหมคิดแต่ในสิ่งที่ดีตรอดวันได้ไหม ไม่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดจะรังแกคนอื่นไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะโกรธให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้เหมือนเมื่อไม่ได้เขาเพราะเหตุไรเพราะมันบังคับไม่อยู่อันนี้ก็เหมือนกันนะคนโลกทั้งโลกจะให้อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมทุกคนหรือว่ามีศีลห้าทุกคนก็คงจะยากเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงโลกทั้งโลกเขาจะไม่มีศีลห้า แต่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ศึกษาแล้วว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าให้ความร่มเย็นเป็นสุขถึงใครจะไม่รักษาถึงใครจะไม่ปฏิบัติแต่ตัวเราก็พยายามรักษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะไม่ได้ทั้งห้าข้ อ, อได้ข้ อ, ไ ด, ขอได้ข้อหนึ่งหรือสองข้อสมข้อสี่ข้ อ, อ, อหรือได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดี ดีกว่าไม่ปฏิบัติเสยเลยแต่ถ้าว่าได้ครบทั้งห้าข้อนันนะครับเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นผู้มั่นตรงมั่นคงอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าว่าเป็นที่พระพุทธเจ้าท่านบอกวันนี้แหะถ้าผูใ้ใดมีศีลห้าก็บปิดอบายยภูมิไปตกไม่ไปตกนร ก, กวางานกันเออถ้าเป็นครวา่าก็เป็นที่ยอมรับ ค่าดำรงชีวิตอยู่เป็นคนอยู่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนมนุษย์ชาติคือเป็นผู้มีสินเป็นผู้มีสินมีธรรมเพราะนั้นสินธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขแต่ถ้าหางว่าคนขาดจินธรรมในถิ่นใดมากๆคนในถิ่นนั่นก็มีแต่ความทุกข์เดือดร้อนป่นมีแต่ขาดมีแต่ ล่างแก่ซึ่งกันและกันแต่ว่าในกลุ่มนั้นมีศีลธรรมประจําใจแล้วก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในกลุ่มนั้นๆเพราะนั้นศีลธรรมเนี่ยไปอยู่ในชนกลุ่มใดอยู่ในหัวใจใดอยู่ในครอบครัวใดครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขสดอดถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาอยู่ในวัดใด พระสงฆ์อยู่ในวัดใดมีศีลรักษาศีลบริสุทธิ์ศีล227ของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไปแล้วรักษาอย่างเคร่งครัดพระสงฆ์ในกลุ่มนั้นหมู่นั้นก็จะมีความสง่างามมีแต่ความร่มเย็นผาสุขด้วยศีลด้วยธรรมเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติเอาไว้แล้วทางว่าพวกเราปฏิบัติได้มีแต่ เป็นผู้มีสงาาส่าราศีไปในสถานที่ใดก็เป็นผู้องอาจกล้าหาญนะไม่กลัวคิดถึงความประพฤติของตัวเองแล้วก็เชื่อมัน่นในความประพฤติแต่ถ้าว่าพวกเราไปทำความชั่วไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมหรือว่าผิดพระวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วมาคิดถึงสินตัวเองก็วันเกงวันกลัวเพราะว่า สินของตัวเองไม่บริสุทธิ์ด้วยความประพฤติของตัวเองไม่ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองไปที่ไหนก็กลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะเห็นความชั่วของตัวเองกลัวกลัวคนอื่นเขาจะเอาความชั่วของตัวเองขึ้นมาพูดในชุมชนนั้นอันนี้เป็นความไม่กล้าหาญแสดงความไม่กล้าหาญในชุมชนเพราะนั้นศินของพระพฤติเจ้าถ้าผู้รักษาดีแล้ว ไม่ว่าคราวญญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าระดับไหนหกล้าหาญเป็นผู้เชื่อมั่นในความประพฤติของตัวเองในกายวาจาของตนเองเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไปแล้วเนี่ยมีแต่ความให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันและก็ให้ความลมเย็ยนเป็นจุกสำหรับตัวเองด้วยอยันนี้พูดถึงเรื่องศีล แต่เรื่องสมาธิเนี่ยสมาธิคือความตั้งใจมั่นในหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่เนี่ยเป็นหัวใจแห่งการประพฤติปฏิบัติเป็นหัวใจของการดํารงชีพของพระกรรมฐานเพราะหลักของพระพุทธศาสนาหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเน้นเรื่องสมาธิ ที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ธรรมที่โคลนต้นโพเมื่อสอ0พกว่าปีท่านก็ตัดสรู้ธรรมเรื่องสมาธินี่เป็นเบืองเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องตน้นจากนั้นก็ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งการทำจิตให้สงบในที่พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานมีหลายหลายวิธีที่จะทำจิตให้สงบให้ได้แต่ครูบาอาจารย์สายองค์หลวงปู่มั่น ที่เป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานสายพวกเราท่านหยิบยกเอาเรื่องกําหนดลมหายใจเข้าออกมาเป็นหลักแต่กรรมฐานที่ว่ายกออกมาเป็นหลักในก่อนอนุสติสิบเนี่ยก็มีทั้ง10อย่างนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานาุสติมรณะนุสติเนี่ย สรุปล้ ก, ก็คือกรรมฐานหลายอย่างแต่หลวงปู่คูบาลอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านให้พวกเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักพร้อมกันกับบริกรรมพทรุทธโธพุทโธเป็นหลักอย่างที่องค์หลวงตาหมาบัวที่ท่านมาเมื่อไม่นานมานี้ท่านก่อนเนี่ยท่านว่าก่อนที่ท่านจะได้หลักจิตหลักใจท่านก็ภาวนาที่แรกก็กาหนด เอาสติกำหนดกับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกว่าหายใจออกมันไม่พอจะมันยังมีช่องว่างมันยังล่วไหลไปได้อีกอยู่ท่านจึงเอากรรมฐานพุทธโธเข้ามาอีกเลยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถหายใจเข้าพุทหายใจออกโถนี่ล่ละเบื้องต้น ที่จะตั้งสติได้สำหรับองค์ท่านถูกเพราะนั้นท่านทั้งหลายพาลูกพาหลานทั้งหลายให้ยึดตามแนวแถวนี่ลหละถึงจะเป็นยังไงถึงมันออกไปยังไงก็พยายามดึงกลับมาให้ได้เวลาหายใจเข้าพดหายใจออกโทรถึงจะเผลอไปก็ดึงกลับคืนมาให้มีสติอยู่กับตัวเองพยายามทำให้นานนั่งให้นานกำหนด บังคับทำงา น, นใช้บอกบังคับเลยวงั้นแหละบังคับให้มาอยู่กับพุทโธเอาสติเป็นเครื่องมัดเป็นเครื่องเหนี่ยวดึงออกมาเป็นเครื่องกําหนดให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละท่านว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่หนักมากคนที่ไม่เคยภาวนาหรือว่าเคยนที่พวกเรา อยู่ตามปกติเนี่ยพวกเราจะไม่รู้ว่างานนี่คือมันจะเป็นยังไงแต่พอเอาเข้าจริงจริงงานนี่หนักหนักมากบังคับจิตให้อยู่กับตัวเองเป็นงานที่หนักมากเพราะฉะนั้นพวกเราคือว่าเรื่องของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้แม่ผูบาอาจารย์เนี่ยพวกเราดูดูลราเหมือนแต่ท่านอยู่สบายสบาย แต่ท่านไม่ได้ทำการทำงานอะไรไม่ได้แบกไปหามหนักหนาอะไรแต่ที่แท้พวกเรามาอยู่ก็แล้วกันชีวิตของพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันไม่ใช่สู้กับอย่างอื่นมันสู้กับอารมณ์ภายในใจสู้กับความคิดไม่ให้ปรุงคิดไปข้างนอกให้อยู่กับพุทโทเลยพวกเราทดลองดูแล้วกันพวกเราจะรู้ได้ว่ามันหนักอย่างที่หลวงปู่หลวงตาท่านพูด จริงหรือเปล่าแต่ลวงพ่อเนี่ยยอมรับเมามันหนักจริงๆอย่างที่ว่าเพราะมันเรื่องบังคับไม่ให้จิตออกไปข้างนอกให้อยู่กับพุทโธเนี่ยแต่ว่าเมื่อบังคับไปแล้วจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วจิตที่ฝึกได้แล้วนั่นแหละทีใ่ใจจิตของเราจะได้รับความเย็นสบายมีความสุขเหมือนกับเราได้ฝึก เนี่ยศลาสิงให้ควรแกการงานอย่างนั้นแะเอแต่ถ้าว่าก่อนที่จะฝึกหนึ่งมันจะสู้มันจะคึกครองมันจะชนคนมันจะวัดเวียงอะไรกว่าที่จะเอาลงลาบคาบได้เนี่ยแต่พอเราเอาฝึกได้แล้วเน่นั่นแหละใจของเราจะสบายมีอะไรเกิดขึ้นก็วิ่งเข้ามหาสมาธิเท่เนมีที่หลบมีที่ซ่อนในจิตในใจ เนี่ยสำหรับเราพวกเราท่านทั้งหลายเป็นคราวาตญาติโยมก็เหมือนกันไม่มีใครหรอกที่จะมีความสุขตลอดเออานันตาการไม่มีความทุกข์เลยเป็นไปไม่ได้อต้องมีความทุกข์ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเนี่แหละอันนี้ก็ต้องฝึกสมาธิเอาไว้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีที่เกาะที่พึ่งไม่มีที่ยึดเนี่ยทําให้จิตใจของเราเลื่อนลอยจิตใจของเราว้าเวีอ้างว้าง เพื่อหลุดลอยไปเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไง่ายๆเนี่ยเพราะนั้นต้องพยายามฝึกเอาไว้เรื่องสมาธิเออคือหลักของใจพยายามฝึกฝึกหลักของใจเอาไว้เพราะนั้นถ้ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนเราเคยฝึกสมาธิแล้วเรานั่งสมาธิลยกำหนดลมหายใจเขา้าหายใจปล่อยวางทั้งหมดทำใจให้ว่างเหมือนกับเราไม่มีอะไรในโลกกัน ร่างกายของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางใน จ, ใจิตใจถึงมันจะมีก็าตามไม่ยึดมั่นไม่เป็นตัวกูของกูว่างั้นจ้ะปล่อยวางให้ว่างเนี่ยกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเอบริกรรมพทรุพโทพโธพโทุทโธพุทโธพุทธโธในเมื่อมีสติอยู่กับตัวเองอดีแล้วเมื่อฝึกหัดดีแล้วเอเมื่อถอนออกจากใจออกไป ถึงจะไปพบไปเจอเรื่องที่มันหนักหนาสาการขนาดไหนก็ตามจิตใจของเราก็พอจะรับไหวพอที่จะรับได้พอจะอ่านออกว่าสถานการณ์นั้นๆเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแต่ถ้าว่าจิตมีหลักแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่มีหลักแล้วเผลอเป๋ไปหมดเหมือนกับเฝ้าเชือกขาดทีนี่สติไม่อยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะฝึกเอาไว้จิตนี้จําเป็นต้องได้ใช้ ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแน่นอนเรื่องฝึกจิตเนี่ยในหลักของพุทธศ า, าสนาในเรื่องจิตเรื่องใจเป็นอันดับหนึ่งนะเรื่องกายร่างกายสังขารเนี่เกิดแก่เจ็บตายมีอยู่กับทุกคนแต่ว่าส่วนจิตใจนั้นที่มันอาศัยกายอยู่นี่ น, นพะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดนี้มากกว่าแต่ท่านจะเน้นหนักเรื่องใจซะมากกว่า ใจจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นโดยตาแต่ว่าพระพุทธเจ้าในท่านเน้นนักเรื่องใจคือนมามธรรมเลยมองไม่เห็นเนี่ยตัวมองไม่เห็นเนี่ยตัวการใหญ่ตัวนี้เป็นพลังมีพลังมากคึกขนองมากพยศมากแต่ถ้าว่าเอาเราบังคับไม่อยู่หรือเราฝึกไม่อยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวไร้กาศทีเดียวคนจะเป็นผู้ไร้ จนผู้ไร้เป็นบัณฑิตนักปราชออกมาจากใจทั้งนั้นกายกับวาจาเป็นบริวารของใจดรงนั้นเพราะนั้นมนุษย์ของเราใจของเรานี่ยใจที่เป็นพุทโธใจเป็นพระรหันใจเป็นพระอนาคามีใจพระสัคทาใจพระโสดาใจใจผู้มีศีลธรรมใจผู้ดุร้าย ใจผู้มีอารมณ์โมโหโทโสอย่างเนี้มันออกไปจากใจทั้งหมดแต่ถ้าว่าเราฝึกเอาศีลธรรมเข้าไปฝึกเอาสมาธิเข้าไปฝึกไปฝึ ก, ฝกขัดดัดนิสัยไปขัดเกลาให้เอาเหตุและผลเข้ามาประคับประคองเอามาไขควนพบทวนในจิตในใจอยู่เสมอ สิ่งนั้นไม่ควรสิ่งนี้ควรสิ่งนั้นถูกต้องสิ่งนี้ไม่ถูกต้องสิ่งนั้นเป็นธรรมสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมนะถ้าว่าเราหัวใจเขาเป็นยังไงหัวใจเราเป็นยังไงถ้าเราไปทาอย่างนั้นนะเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเขามาทำให้แกเราอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าว่าเราคิดทบทวนอยู่อย่างนี้เสมอๆไงล่ะใจของเราจะดึงเข้าไปหาหลักเหตุและผล เมื่อเหตุมันไม่ดีผลมัน ก, ก็ต้องไม่ดีถ้าเมื่อเหตุดีผลก็ต้องดีนะพรพะกนั้นหลักทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในท่านให้ดูที่ใจให้ภาวนาให้ดูที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งนะในหลักของพุทธศาสนาเพรฉะนั้นพวกเราให้พยายามฝึกใจการฝึกใจก็อย่างที่กล่าวมานั่นนะ่ะ นั่งสมาธเาิเมื่อว่างๆเสียงดูในที่สงบสงัดแล้วก็นั่งสมาธิกําหนดลมหายใจปล่อยวางอย่าไปคิดถึงอย่างอื่นทิ้งไปก่อนอย่าไปคิดมันถึงจะมีเครื่องนะัยังไงก็ตามปล่อยไปก่อน อ, อย่าไปคิดคิดมันถือมันให้คิดเสียห ว, วานถ้าเราตายแล้วเป็นยังไง ถ้าเราตายเพื่อสิ่งเหล่านั้นเราจะทําได้ไหมทำไม่ได้ทําไม่ได้ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราปล่อยวางไว้ก่อนไม่ดีเหรอเราทดลองปล่อยวางเลสิเป็นยังไงเราก็พยายามปล่อยวางไม่ยึดไม่คิดมักมีแต่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทตามที่ครูใบการาแนะนําสั่งสอนทําหลายครั้งต่อหลายหนทําโดยสม่ําเสมอ ถ้าว่าจะให้ก้าวหน้านั้นพยายามอย่าให้ขาดพยายามทำให้สม่าเสมอถ้าว่าพวกเราทำให้สม่าเสมอแล้วนั่นแหละเราจะเห็นผลไปเรื่อยๆเหมือนกับเราปลูกต้นไม้พอปลูกเสร็จแล้วเราไม่ได้สนใจมันปล่อยทิ้งไว้ไม่รู้ว่ายาคุมไม่รู้ว่ขาดปุ๋ยขาดน้ำอะไรก อย่าพวกอะไรคุมไปหมดเท้าวันพันไปหมดต้นไม้ก็ตาดนีสรุปแล้วคือคือข า, ขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าว่าพวกเราปลูกเข้าไปแล้วพวกเราดูพยายามประคับประคองทำแต่ละวันอย่าให้ขาดอย่างน้อยกับพุทโธพุทโธดูกายดูใจของตัวเองดูกายดูใจของตัวเองหาานาที10นาทีก็ยังดีทำเมื่อไม่ทาแต่วันไห น, น พวกเราได้ทําก็พยายามทําให้มากกว่านั้นเมื่อมีเวลาแต่ถ้าไม่มีไม่มีเวลาเราก็พยายามาทำํำ อ, อันนี้แปลว่าเป็นผู้ใส่ใจเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ทําให้สืบเนื่องต่อเนื่องทีนี้ถ้าว่าสมาธิของเราสืบเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะไม่วันใดก็วันหนึ่งจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้นะเมื่อจิตเป็นหนึ่งได้จะทีนี้ท่านละ เออเราจะรู้ได้อะไรเป็นอะไรไงเออกายของเราเป็นอันหนึ่งใจของเราเป็นอันหนึ่งร่างกายเนี่เป็นส่วนหนึ่งใจของเราเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นเราก็นําใจที่เป็นหัวหน้านี่ยนะนำมาพิจารณาร่างกายไงอันนี้เราคนทีปรัสนาระบาดเนี่ยมีปรัสนึกมีปััสนา พิจารณาร่างกายสังขารร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนำมาพิจารณาพิจารณาแยกแยะดูทําไมใจของเราจึงหลงทำไมหลงร่างกายทำไมว่าร่างกายเป็นของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายนะันจะต้องแตกจะต้องสลายจะต้องตายในที่สุดจะต้องถูกเผาไฟในที่สุดทุกคนไม่มีใครยกเวท ผู้ที่เกิดก่อนกับตายโดยก่อนพวกเราจะต้องตายไปตามทีหลังแต่ใจของเราทําไมจึงหลงว่าร่างกายนี่เป็นของเราถ้าไม่หลงร่างกายอย่างอื่นก็ไม่หลงยศถาบรรดารักด์สมบัติเงินคําญาติพี่น้องเพื่อนฝูงวัดวาศา ส, สนาสาหลงสารจะไม่หลงทางนั้นเหมืะนกันเพราะเหตุไรกไม่หลงร่างกายถ้าพวกเราหลงร่างกายว่าเป็นตัวตนของเราสิ่งอื่นมันหลงไปหมดเลยว่าเป็นสมบัติของเรา แต่ร่างกายแท้ๆยังไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งอื่นมันจะเป็นของเราได้อย่างไรในเมื่อเห็นอย่างนั้นอันนี้คือธรรมะนะอันนี้คือธรรมะเราไม่จำเป็นจะต้องไปพูดให้ใครฟังไม่ต้องไปฟ้องแสดงให้ใครฟังอันนี้เป็นธรรมะส่วนจิตใจของเราเป็นเครื่องปล่อยวางในจิตใจของเราคนนั้นถ้าว่าเรามีธรรมะในจิตใจของเราใจของเราจะเย็นแน่อถึงมีอะไรมากระทบกาตามมันจะไม่ โมโหโธโสมันจะไม่โกรธทาไม่โกรธไม่พยาบาทอาฆาตใครๆทั้งหมดว่างั้นเถอะเออใครใครคนมันรู้มันรู้แหละใจของเรามีหลักเออมันใครเขาอะไรก็ได้อขอํา้อสําคัญจะให้ผิดจริตธรรมอย่าให้มันเกินไปท่นเองเออเพราะว่าการอยู่ร่วมกันมีผิดมีถูกฝั่งอแต่อย่าให้มันเกินไปอย่าให้มันผิดจนเกินไปเี่ยเราพร้อมที่จะเ อ, อให้อภัยแก่ทุกคนได้ในใจของเรานะ แต่ถึงอย่างนอกถึงจะพูดไปก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ส่วนลึกของใจแล้ว โ, โลกอ น, นี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละอใช่เท่าน่ะใจมีหลักใจของเราได้ฝึกตีแล้วจะลักษณะเป็นอย่างนั้นอืมเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะฝึกใจเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องมาตั้งแต่นู่นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาทั้งสามอย่าง เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติฐานะคือการให้การให้ก็คือให้พ่อให้แม่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณพวกเราอย่างมากให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เพราะพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูถ้าว่าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเราจะเป็นอย่างนี้ไหมก็คงจะเป็นไปได้ยาก อันนี้พ่อแม่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้แก่พวกเราขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเราได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงมาเพราะนั้นบุญคุณของบิดามารดาเนี่ยบปุพภาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนกระตันยูกระเตเวทิตาพวกเราคคลจะแสดงถึงความกระตันยูตอบแทนบุญคุณของท่านสิ่งไหนที่ท่านไม่สบายใจ เนี่ยเราควรจะมองเห็นควรจะรู้ควรจะปักคงแก้ไขอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่สบายใจเรื่องอะไรกับเราท่านว่าท่านตำหนิเราก็ควรจะรู้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยท่านตำหนิเนี่ยเรื่องเนีเราก็ไม่ควรจะทำสิ่งนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ควรจะคิดอย่างนั้น เราที่เป็นเราเป็นคราวญาก็เมื่อพ่อแม่ไม่สบายใจแต่ว่าพ่อแม่ห้ามและเป็นยังไงห้าม้วยศีลโดยธรรมห้ามโดยการกระทาของเราผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดทํานองครองธรรมต่อประเพณีพ่อแม่โปรงสาคนายาตที่ท่านเขาไม่เคยทํามาแต่เราไปทํา กระทำให้ท่านไม่สบายใจเรากโค้งนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดําเนินมาอย่างไรแต่เราไปทําท่านไม่สบายใจครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาแล้วท่านไม่สบายใจพวกเราควรไม่ควรจะทําในสิ่งนั้นในเมื่อเราทําในสิ่งที่ถูกต้องตัวของเราก็สบายใะผู้ที่เกี่ยวข้องก็สบายใจ ปูบายจา์ก็สบายใจพวกตัวของเราก็สบายอกสบายใจก็ไม่เห็นจะมีอะไรไปจะฝืนตัวเองบ้างเหมือนกับคนสูบบุหรี่เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วก็สูบบุหรี่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เมื่อเขาห้ามว่าห้ามสูบบุหรี่แล้วก็หยุดสักไม่ไม่ไม่ไมันก็ต้องทุกข์บ้างเพราะมันติดบุหรี่เพราะมันคิดถึงแต่ไม่ถึงกับตายหรอกคับ มันไม่ตายคนไม่กินข้าวไม่ตายแน่แน่คนไม่สูบบุหรี่ไม่เห็นตายมีแต่จะอ้วนท้วนขึ้นมาเนี่ยทำไมเราจะไปหาอ่อนแอจนถึงเรารถไม่ได้เราหยุดไม่ได้อันนี้แหละอันนี้ก็สอนตนเองก็รู้อยู่แล้วว่าอันตรายต่อสุขภาพเราก็หยุดสักมันอยู่กับใจทั้งหมดนั่นแหละแถ้าว่ารใจของเราเข้มแข็งแล้วเอาชนะมันได้ทั้งหมดอ นั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทุกๆองค์ต้องเป็นพระใหม่พระเก่าโดยเฉพาะอย่างหญิงพระใหม่นั่นนะที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเข้ามาฝึกขัดเขามาฝึกปรือเข้ามาบวชเพื่อจะได้รู้รสพระธรรมคําสั่งสอนจากนั้นจะได้นาไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเรา นี่แหะควรจะศึกษาให้เข้าใจหลักของพุทธศาสนาไม่ได้สอนไปที่อื่นไดสอนเข้ามาหาใจนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ถ้าใจของเรามีเหตุมีผลแล้วกายวาจามมันเป็นบ่าวมันเป็นลูกน้องมันสั่งกายไม่ให้กระทําในสิ่งที่มันไม่ดีวาจาพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนี่แหะพระราชาจึงให้ดูใจภาวนาให้ดูใจ กำหนดดูใจอบรมใจอบรมใจคืออบรมหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยคือใจมโนภูพังขมาธรรมามโนเศษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านี่หว่าใจเป็นหัวหน้าแบบนั้นพอท่านอบรมหัวหน้าดีแล้วกายวาจาเนี่ยก็ต้องดีไปด้วยถ้าหัวหน้าเกเรหัวหน้าไม่ดีแล้ว กายวาจาใจก็ไม่ดีไปด้วยพ่อหัวหน้าเป็นผู้เป็นใหญ่เหพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ อ, อบรมจิตใจแต่อบรมจิตใจก็อย่างที่หลวงตามหาบัวท่านว่านะั่นเป็นงานที่หนักมากที่จะอบรมจิตใจเขา้าให้เข้าสู่ความสงบได้ต่อสู้กับอารมณ์ที่ไม่ให้มันคิดปรุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกไม่ใช่ธรรมดาเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหนักมากทาั้งวัน แต่เมื่อถูกได้แล้วเนะี่ยใจเข้าสู่ความสงบแล้วเนะี่ยใจไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆใจอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามาติดขัดข้องมองใจกับตัวเองแล้วเนะี่ยใจเป็นอิสระใจเย็นสบายสงบเย็นสบายไม่มีอะไรที่จะมีความสุขยิ่งกว่าความสงบนะว่านะนัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นความสงบจิตสงบใจนะเป็นความที่เยือเกเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นความสงบอย่างอื่นความสุขอย่างอื่นนะกินข้าวอร่อยนอนหลับนะมีเงินครับสมบัติมีคนพูดเพราะหูฟังเพลงอะไรเรามีความสุขแต่ว่าความสุขแห่งจิตสงบนี้เรายังไม่เคยพบที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุ ข, ขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเรายังไม่พบไม่เจอเพราะนั้นพวกเราควรจะทําดูนะอเอาให้ได้ด้วยซิว่าจิตสงบนั้นเป็นยังไงกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกปล่อยวางทั้งหมดไม่อยาให้มันมีคิดทําไมออกไปข้างนอกพยายามเดิงกลับมาอพอออกไปข้างนอกเดิงกลับมาพอมาหลายครั้งต่อหลายหนมันก็ไม่ออกไปละบาท มันจะนิ่งวับเข้าสู่ความสงบพอแวบเพียงวับเดียวเท่านั้นเองนะไม่มากนะเพียงแตะขั้นคณิกะคณิกะสมาธิเพียงแค่นั้นนะเรายังจําไม่ลืมนะ เ, เพียงแต่จิตสงบเพียงชั่วครู่เท่านั้นเองเอใจมันเย็นผิดปกติบ้างนะใจเย็นผิดปกติอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตเข้าสงบเพียงชั่วครู่ชั่วขณะ เ, เพียงแค่นั้นนะ่ะ เราก็ได้รับความเย็นอกเย็นใจคณิกะต่อมากับพยายามทำเรื่อยๆไม่ต้องคิดถึงมันจิตสงบอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอยังไงจะไปอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าไปคิดนะะถ้าคิดมันมันจะไม่เข้าสู่ความสงบเลยปล่อยวางมันอีกไม่ต้องนั่นนะไม่ต้องคิดถึงมันที่มันสงบไปแล้วเหมือนกับเราทานอาหารทานไปแล้วผมไม่ต้องคิดถึงมันมันผ่านไปแล้วมีแต่ทานอย่างอื่นเอ จะทํำยังไงถึงจะให้มันสงบอยู่กับกรรมฐานเดิมนะ่ะพุโทโธพุโทโธไปเลยไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตปล่อยใจให้ว่างให้วางพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยถ้าเราพยายามทําอย่างนั้นได้ใจของเราจะเข้าสู่ความสงบอีกนะระดับหนึ่งอุปจาระสมาธิเราจะเห็นได้ด้วยตัวเองเหรเมื่อสติของเราทันนล ใจมันไม่ฟ้งได้บ่านไม่ฟุ้งไม่ปงสติกับกจิตนี่รู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรอารมณ์มาเรื่องอะไรจิตของเราคิดเรื่องอะไรใจของเราจะควบคุมสติอยู่ตลอดสติกับกจิตนี่เป็นให้เท่าดูดูกันตลอดแต่เมื่อได้ยินเสียงมันก็ไม่ส่งไปตามหูเมื่อได้เห็นกับตามันก็ไปส่งไปตามตามันมีแต่สักปรู้สักว่าเห็นให้ เป็นสติสติใจมันไม่ส่งออกไปข้างนอกอันนี้เลยว่าอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิเนี่ยถ้าจะมาพิจารณาทางด้านปัญญาหรือวิปัสสนาพิจารณาได้นะกําหนดร่างกายดูร่างกายตัวเองจอไปตรงไหนจะเห็นได้ด้วยปัญญาเลยเห็นไหมจิตประเภทที่ว่าอุปจาระสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เออมันจะรู้มันจะไม่ออกไปข้างนอกเพหมือนกันมันจะรู้อยู่ตลอดเนี่ยมันจะไม่เผลอเนี่ยอันนี้ถ้าจะว่าจิตอยู่ก็ใช่เออจะว่าจิตสงบก็ใช่เออมันจิตไม่หิวไม่หอยตามอารมณ์ต่างๆอันนี้ว่าอุปจารสมาธิถ้าอัปปนาสมาธินะจิตแน่นแน่นลงไปอีกเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเนี่ยถ้าจิตสงบเป็นหนึ่งนั้น สติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นอันนั้นเลือกตรงไปจนไม่มีความรู้สึกของร่างกายเรานั่งในสถานที่ใดดูในอาการใดจะไม่รับรู้รักทราบมีแต่สติกับจิตแมวดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้ชัดเลยสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาก็มาอุปจารสมาธิจะ จากนั้นก็ถอนมาเป็นจิตปกตินี่แหละสมาธิมีอยู่สขั้นในหลักของพระพุทธศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำอบรมสั่งสอนเพราะนั้นจิตเป็นอุปจาระจิตเป็นอัปปนาถถ้าว่าจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิเราจะรู้ได้โดยตนเองเลว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ มันจะเชื่อด้วยตนเองจิตตัวนี้เพราะว่ามันมันเห็นร่างกายกับกับใจแล้วมันมันเห็นได้ชัดด้วยตนเองไม่ต้องถามใครแบบนั้นนเลยพอเห็นออ้ร่างกายเนี่ยแตกเน่ยนี่ตายเน่ยเนเป็นธาตุสงดินน้ําลมไฟเนี่ยนแต่ว่าใจเนี่ยดูแล้วมันไม่ตายมันเด่นชัดมันจะต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้อีกถาวะบุญกุศลมีก็พร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าได้แต่าวะ บาปอคุศลมีก็พร้อมที่มันจะไปหมุนลงไปสู่นรกหมกไหมได้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่รชาดได้เพราะมันเห็นได้ชัดมันคนละอ่านกันมันเพียงแต่อาศัยกันอยู่กายกับใจใจเป็นนมามธรรมก็จริงแต่มันอาศัยกายเป็นเครื่องอยู่ให้เข้าเป็นตัวบังคับให้พูดให้ทําให้อะไรแต่พอร่างกายหมดสภาพแล้วใจดวนี้ก็ต้องออกจากร่างนี้ไปสู่ภพภูมิต่างๆเี่ย ทำไมมันยังไปอย่างนั้นหลวงพุทธเจ้าท่านว่ามันมีเชื้ออยู่เชื้อจนนั้นคืออะไรคือกิเลสกิเลสนั่นคืออะไรราคะโทสะโมหะใจตรงนั้นมันมีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงหรวพุทธเจา้าท่านจึงให้พิจารณาเอาสมาธิเข้าไปจัดเอาปัญญาพิจารณาคลี่คลายเดินตามมรรคแปดสมาธิทิมรรคแปดคือสรุปแล้วคือศินสมาธิปัญญานั่นเอง เอามากันกลองมาเผามากันมากลองมาต้มมาพิจารณาจนรู้จริงเห็นจริงใจตรงนี้มันเกิดมาจากอะไรมาจากอาวิชชาคือความตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ก็คือมันหล่อ ม, มันหลงนั่นเองมันหลงก็คือตัวไม่รู้อวิชชาตัวหลงอวิชชาปัจจญาสร้างฆารการปฏิจจสมุปบาทจากนั้นเขา มันพ่อเหตุไรพราะมันมีเชื้อเชื้อคืออะไรคือกิเลสราคะความกำหนัดยินดีโทสะ ค, คือความโกรธโมโหโทสโสความหลงอยู่ในจิตใจตัวสามตัวเนี่นะทั้งกิเลสสามตัวใหญ่นะี่นะทําให้จิตใจดวงนี้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉนั้นท่าทงว่าชําระ กิเลสราคาโทสะโมหะสะออกจากจิตจากใจซะปล่อยวางทั้งหมดจ้ะจิตใจหลุพลดพ้นจิตใจเป็นอิสระจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจปล่อยวางจิตใจคลายแหไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสสรุปแล้วก็คือพระหันเนี่ยสำเร็จที่ไหนรู้แจ้งที่ไหน รู้แจ้งที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจรู้แจ้งเห็นจริงที่ใจเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาพวกเราท่านทั้งหลายถ้าปฏิบัติดูแลอยู่ที่ใจทั้งหมดนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องของใจถ้าร่างกายใจใจออกจากร่างกายไปแล้วนะถึงจะเป็นระดับไหนก็เถอะนอนยิ่งทั้งหมดนะี่ถึงจะเน่านั่นเอง สู่ดินน้ำลมไฟเท่านั้ น, นเพราะนั้นขณะที่ใจคลองอยู่เนี่ยใจอยู่ในร่างกายใจเป็นผู้บัญชาเนี่ยนั่ น, น, ะน่ะละแต่ตามในหลักของแพทย์ทั้งหลายเขาก็าว่าสมองแต่ตามไม่จริงสมองก็ใช่แต่มันสมองนะเป็นเครื่องใช้ของใจเหมือนกะระต่ น, น่ะมีสมองกลอยู่ในรถ ถ้าคนไม่สตาร์ทเครื่องสมองคนมันทางานไหมมันก็ไม่ทํางานถ้าคนออกจากรถไปซะสมองรถไม่นจะทํางานไหมไม่ทํางานเพราะเหตุไรเพราะว่าสมองคน่คือเป็นส่วนหนึ่งที่คนทําขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันใจเขามาสร้างร่างกายถ้าร่างกายหนีออกจากร่างสั้นสมองก็จะทํางานมันก็ไม่ทํางานแต่หลักของวิทยาศาสตร์ เขาพิสูจน์ได้แต่ถึงร่างกายเท่านั้นเองเขาไม่พิสูจน์ถึงใจอยงนั้นยังไม่ถึงใจแต่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพิสูจน์ลึกเข้าไปจนถึงตัวนามธรร ม, าามตัวผู้รู้คือใจนั่นแนหะที่มองไม่เห็นะแต่ถ้าตัวนั้นท่านจะเห็นได้ไม่นรู้ได้มันได้ถ้ามีเครื่องมือละเอียดแล้วมีอีละเอียดนั่นคืออะไรที่ท่านได้จัดสรู้ธรรมทำปุเพนวาสานุจติยาน ตูตปาปาตยานคือญาณเหมือนกนญาณจะอย่างรู้อะไรวะใครคิดนึกเรื่องอะไรท่านจะรู้ได้ทั้งหมดเพราะมันมีมันมีเครื่องมือตรวจเหมือนกันญานณทัศนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราจะปรินิพานะนะพระอนุรทธะยังรู้ได้ว่าพระจิตของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนในขณะนี้ น, ะ, นะเพราะอะไรแบบเพราะญาณทัศนาของพระองค์นั่นเองเพราะนั้นเรื่องใจ เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนอย่างมากต้องศึกษาผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่พอจะรู้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะนึกเดาเอาคาดคะเนเอาอ่านหนังสือมากๆเอาแล้วไม่มีทางที่จะรู้ได้ผู้ปฏิบัติทำสมาธิให้จิตให้สงบจิตให้เป็นหนึ่งจนแน่วแน่เป็นหนึ่งนั่นละ่ะจึงจะรู้ได้ว่าจิตนั้นคืออะไร นามมาทำตัวนี้คืออะไระมันแสดงความโลภโขนอย่างไรมันให้โทษอย่างไงมันให้คุณอย่างไรจะเห็นได้ชัดด้วยตัวเองเพราะนั้นพวกเราให้พิสูจน์นะหลักของพทธศาสนาไม่ไม่ใช่ว่าเป็นของเหลือวิสัยเป็นของที่งมงายเป็นของที่ขาดคเนเดาเอาอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของที่จับต้องได้ถ้าพวกเรา ตัง อ, อกตังใจประพฤติปฏิบัติแล้วจะมองเห็นได้ด้วยหลักของพุทธศาสนาที่ท่านเอาวางไว้คือสมาธิเนี่ยแน่ตะก่อนที่จะเป็นไปได้คือทานศีลภาวนาทาไมจึงรักษาศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสส่วนอยญ่ถ้าว่าพวกเราไปทำกรรมชั่วมาแล้วจะทำจิตให้สงบอ่ามันไม่ได้เนี่ยอ่าไปทากรรมชั่วมาแล้วหยางยกยกมาแล้ว จะมานั่งภาวนาให้จิตสงบเป็นไปมื่อไรเพราะนั้นผู้เระเจ้าจึงสอนให้ขัดเกลอกิเลสอันหยาบาก่อนคือกายวาจานะไม่ให้ออกไปนอกลูนอกทางยนะจากนั้นจึงมาดูใจคือตัวผู้รู้อีกทีนั่นแหลนั่นแหละนะท่านจึงให้มีทานมีศีลมีภาวนาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได้พูดมา ก็นานพอสมควรตอนนี้ไปก็นั่งสมาธิที่นี่นะเอนั่งคัดสมาิท่าสบายๆนะไม่ต้องเกรงไม่ต้องนั่นนั่งแบบสบายพอนั่งท่าสบายเรียบร้อยแล้วนะประนมมือขึ้นในระหว่างอกและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง นึกพุทธโธธรรมโธสังโธพุทธโธธรรมโมสังโธสมจบนะอันนี้คือไหว้ครูระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะที่เราปฏิบัติอยู่นี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเป็นคําพูดและเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องไหว้ครูระลึกถึงครูซะก่อนคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็เอามือลงพอมือลงเสร็จแล้วเราก็ กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าอันดับแรกเราจะนึกว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขหายใจออกผู้อื่นจงเป็นสุขหายใจเข้าจงเป็นสุขหายใจออกจงผู้อื่นจงเป็นสุขนั่นคือให้แผ่เมตตาอันนี้คือการแผ่เมตตานะวะ่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นให้มีความสุขอย่างนั้นนะ ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขนข้าพเจ้าจงไป็สุขผู้อื่นจงเป็นสุขนะนึกอยูในใจนะจากนั้นก็ภาวนาพุทโธต่อเลยก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่อย่าไปเกรงนะอย่าไปกําหนดลมจนแน่นนะจะไปเพ่งลมจนเกินไปนะปล่อยเป็นอิสระเหายใจยังไงเข้าใจยังไใงไให้ลมปกติ เราจะไปเกรงจะไปกลึงจะไปเน้นอะไรมันจะไปเพ่งอะไรมันมากถ้าเราไปเพ่งอะไรมันมากจะทำให้ปวดศีสระนะใครเขาแน่นหน้าอกเนี่ยมันหล า, ลายอย่างที่อกกับกิริยาที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราไปเพ่งมันมากเราพยายามปล่อยวางทำใจให้สบายๆนะเพียงแต่ว่าให้มีสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้พุทโทพุทธ เพียงแค่นั้นละ่ะวิธีการปฏิบัติแล้วกําหนดอย่างไงกําหนดที่สมมติว่าเราไม่เคยปฏิบัติไม่เคยภาวนาไม่รู้จะกําหนดที่ไหนเราก็หายใจแรงๆดูนะหายใจแรงๆฟืดหายใจออกฟืดออกดูหายใจเข้าฟืดลมมันกระทบที่ไหนนะมันกระทบที่ไหนเราก็พยายามหายใจค่อยผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงผ่อนล ง, ล ง, ลงจนปกติ หายใจตามปกติท่านเ้เราก็จะจับลมได้เออลมกระทบที่ดั้งจมูกฝั่งที่ปลายจมูกฝั่งที่ชานจมูกบงังสุดเทศแต่เราจะให้มันกระทบที่ไหนแต่ไม่ต้องตามลมเข้าไปนะเวลากำหนดลมหายใจหรือว่าเราจะตามลมดูสักครั้ง 2-3 ส, สาครั้งก็ได้นะเวลาหายใจหายใจเข้าเฟือ้อก็ปล่อยเข้าไปไปถึงปอดแล้วก็ปล่อยเฟื้อลมาอันนี้เราจะตามที่แรกจะตามดูก็ได้นะ แต่ว่าเราจะไปตามทุกครั้งไม่ได้ไม่ถูกนะนะคือหายใจสักสองสามครั้งเราตามแต่ต่อมากันเรากำหนดที่ลมหายใจเข้าที่ลมกระทบเท่านั้นแหละลมเข้าไปก็เราก็รู้ว่าลมเข้าลมออกมาเราก็รู้ว่าลมออกมีแต่สติอยู่กับที่ปลายจมูกหายใจเข้าพุทแล้ากำหนดพุทหายใจออกก็โทพุทโทพุโทแต่ถ้าว่าใจมันยังออกมีที่ช่องว่างมันยังออกได้อยู่นะ เราจะกําหนดอยู่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธในใจของเราสำทับอยู่ในความรู้สึกของเรานะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องพูดออกปากนะพุทพูดอยู่ในใจนึกอยู่ในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนั้นก็ได้น่ะเว่าสสำทับอยู่ในจิตใจในขณะที่มันนึกคิดมันจะจิตมันจะไม่ออกไปข้างนอกถ้ามันยังมีกําหนดลมหายใจมันยังมีช่องว่างที่จิตมันจะคิดออกปรุงออกอยู่ เราก็พูดโทอยู่ในจิตใจให้ถี่เย็บเลยนะอันนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติที่จะทำจิตให้สงบนะแต่จะไปเพ่งอย่าไปอะไรมันมากจะทำให้เราปวดศีสระทำมาท่าว่าจิตใจมันเผลอไปพับไปก็ดึงกลับคืนมานะแต่สมมติว่ามันเผลอปับไปไปเห็นนิมิตต่างๆบางทีเห็นคนล้มคนตายบางเห็น กระดูกบ้างเห็นผีเห็น้างเห็นอะไรก็ตามนะอันนี้ถ้าเราไปนั่งอยู่ตามลำพังคนเดียวเราไปนั่งอยู่ในที่คนเดียวนะพอเห็นอย่างนั้นปั๊บเราไม่ต้องกลัวนะอันนั้นเป็นเป็นนิมิตนะ เ, เราเอาย้อนจิตมาหาก ร, รมฐานที่เรากาหนดเบื้องต้นนะเรากาหนดกรรมรฐานอะไรลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกถูก กลับมาหากรรมฐานเนี่ยทันทีเลยว่างั้นเถอถ้าเห็นนิมิตต่างๆที่เรากลัวแล้วเท่าไม่สบายใจนิมิตเหล่านั้นมันจะหายปึ๊บเหมือนกับปิดทิ้งเลยวงั้นเถอะอย่าไปมองมันอย่าไปดูมันอย่าไปเพ่งมันอย่าไปตามมันถ้าตามมันแล้วก็ น, นั่นแหละเ อ, อเหมือนกับฉายหนังเลยทีนี้ทั้งคืนเลยแล้วงั้นเถอะแต่เราไปดูมันน่ะไม่เกิดประโยชน์เออเผลอๆให้โทษอีกต่างหากนะให้กลับมาหากรรมฐานเดิมพุโทโธพุทโทเนะี่ย นิมิตนั้นจะหายไปพอเราภาวนามไม่ได้หานิมิตเนี่เราหาความสงบไม่ใช่เหรอกำหนดลมหายใจเข้าออกขนาดนั้น น, ะนี่แหละต่อนนี้ไปหลวงพ่อก็จะหยุดพูดนะทนีเอากําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่เด็กฟังนั้นนะ่ะถึงกําหนดแล้วเดี๋วหลวงพ่อจะนะบอกถึงเวลา